ที่รับที่แจ้งคนที่มีความฮิริโอตปะัดระอาสดุ้มกลัวต่อความผิดอยู่ภายในใจแล้วผู้นั้นย่อมไม่กล้าจะทำความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นได้เมือ่อศาสนามีอยู่ในจิตใจของกลุ่มชนในกลุ่มชะนั้นก็มีความสงบร่มเย็นไม่ค่อยมีเรื่องมีราว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 มากน้อยเพียงไรนั่นขึ้นอยู่กับปีกใจของแต่ละคนนะคนเํราว่าศาสนาเป็นค่าสึกต่อความเห็นแก่ตัวคือเป็นความเห็นเส ม, มอภาคเห็นคนอื่นกับเรามีคุณค่าเหมือนกันมีความสาคัญเหมือนกันจนกระทั่งสัสตว์ก็มีคุณค่าและมีความสาคัญเช่นเดียวกับมนุษย์คือมีค่าไปคนละทางละทางเช่นอย่างชีวิต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 ก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่รับที่แจงคนที่มีความฮิริโอตปะแระอาชุดุ่มกลัวต่อความผิดอยู่ภายในใจแล้วพวกนั้นก็ไม่กล้าจะทำความเดือดร้อนแก่ตนและผู้ื่นได้เมืศา ส, สนามีอยู่ในจิตใจของกลุ่มชนในกลุ่มชนนั้นก็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 ไ ม, ไม่เบียดเบียน head, ไม่ทำลายไม่ทำความขัดแย้งขัดแย้งซึ่งกันแลกันตลอดถึงสมบัติสิ่งของมีมากน้อยก็ถือเป็นความสำคัญเช่นเดียวกับคนคือเป็นความสำคัญสำหรับสมบัติของเขาเช่นเดียวกับเราถือเป็นความสำคัญในสมบัติของเราอยู่สมบัติของเรามีความสำคัญต่อเราเมื่อถือกัน เห็นมีความรู้ความเห็นอย่างนี้แล้วการกระทบกระเทือนการถูกลักต้นสะดมหรือการเบือดเบียนทําลายกันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสาเหตุที่จะเกิดขึ้นเราก็ทราบแล้วว่าไม่เห็นความตําคัารของคนอื่นเห็นแต่ความต้องการของตนวของตนถ่ายเดียวที่จะถูกลึกผิดนนั้นไม่คํานึงนี่เราพูดถึงภาพทั่วๆไป สำหรับศาสนามีความสำคัญต่อโลกที่อยู่เป็นหมู่เป็นพณะให้เห็นความสำคัญของกันและกันทีนี้ย่นเข้ามาถึงตัวของเราเราก็ทุกคนก็เข้าใจและแน่ใจว่าตนมีความรักตนมีความสงวนตนมีความสำคัญแต่สิ่งที่จะนำมาเพื่อตัวเองนั้นไม่ทราบว่าถูกหรือผิดเพราะความอยากความต้องการนั้นมีอำนาจ เนื้อกว่าคำคำที่ว่ารักตนหรือสงวนตนจึงเป็นเหตุให้ทําความเสียหายแก่ตนได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องนาเนินให้เหมาะสมกับคําที่ว่ารักตนปฏิบัติบํารุงรักษาตนด้วยความถูกต้องโดยอัดโดยธรรมก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความจเจริยมแก่นตนสมกับคาําว่รรคตนสงวนตนแท้หนังเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติศิ้ธรรมอยู่เวลานี้ก็คือความรักตนโดยธรรม คือเป็นความถูกต้องไม่ผิดเดี๋ยวก็เรื่องผิ่บ้านการเดือนเราก็ทราบด้วยกันทุกคนนั่นเป็นงานประเภทหนึ่งผลอย่างหนึ่งที่จะนาํามาใช้ในทางหนึ่งทางด้านจิตใจที่เป็นงานสําคัญอันจะ ก, ก่อให้เกิดพลังเกี่ยวกับกิจการงานภายนอกก็ต้องเป็นความสําคัญประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันแต่พ อ, อย่างยิ่งเป็นในวัยของพวกเราซึ่ง ควรอย่างยิ่งแล้วพราะได้เคยเลือกเส้นได้เคยบวกลบมาเป็นเวลานานานเกี่ยวกับเรื่องชีวิตจิตใจได้ผ่านโลกมานานอพอทราบเรื่องหนักเบาได้ดีทั้งภายนอกภายในจิงต้องมีความสนใจในอัดในธรรมที่จะเป็นสาระสำคัญแก่ตนเพื่อเป็นต้นทุนในวาระต่อไปอีกตลอดถึงปัจจุบันและอนาคตไม่มีความบกพร่องยิงต้องในอุตสาหอบรมบาเพ็ญคุณงามความดี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 การปฏิบัติภาวนาเมื่อใจยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นคืออาหารที่เป็นพิษต่อใจตัวเองจึงต้องหาวิธีซากฟอกหาวิธีแก้ไขดัดแปลงให้ได้อาหารที่ดีขึ้นมาคือความถูกต้องงีงามนั่นแหละจะเป็นผลให้เกิดความอาหารที่ดีขึ้นมาภายใน จ, จิตใจคือมีความสงบเย็นใจไปโดยลำดับลำดับเมื่อได้รับการบารุงรักษาจากเจ้าของอยู่จิตจะต้องมีความยอกเย็น จิตที่มีความยอกเย็นโดยลาดับนี่แหละคือจิตมีธรรมในใจก็เรียกมีอาหารประจําใจก็เรียกนับตั้งแต่ส่วนน้อยไปถึงส่วนมากจะต้องปรากฏขึ้นที่ใจและฉะถะติดอยู่ที่ใจถ้าชนะคือใจก็ฟองใสเข้าโดยลำดับท่านคินสอนให้ภาวนาคำว่าภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องใหญ่โตมากบรรดางานทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาเพราะงานนี้เป็นงานประจักษ์จุดกับใจงานที่เราเคยทําทั้งหลายทําแล้วก็ผ่านไปผ่านไ ป, น ไ, ปได้มาแล้วก็หายไปสูญไปหายไปได้มาจ่ายไปได้มาหายไปแตง่งานทงางภายในใจเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตะภาวนาเป็นที่รวมแห่งความดีทั้งหลายไม่ได้หายไปเช่นอย่างงานทั้งหลายและพ้นงานทั้งหลายที่เราเคยได้ปรากฏมาแล้วนั่นเลย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 พิจาราค้นคว้าในสิ่งที่มีอยู่กับเรานี่แหละไม่ใช่พิจารณาอะไรพิจารณาเอาข้างนอกก็เป็นเรื่องเหมือนกับภายในพิจารณาภายในก็เหมือนภายนอกประสมประสานกันได้ทุกสัตว์ทุกสวนไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกันคําว่านิจังทุกขังอต า, ากระเทือนทั่วโลกกระทำแต่ไม่กระเทือนอยังไงความจริงล้ น, ล, นล้วนทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราฝืนคติธรรมนาจึงก่อทุกข์ทุกตนได้เรื่อย เตุที่จะฝืนธรรมดานั้นก็เพราะอำนาจของกิเลสมันพาให้ฝืนไม่ใช่เราตั้งใจจะฝืนเองกิเลสจึงเป็นภัยต่อจิตใจของสรรโลกตลอดมาไม่ว่ามากว่าน้อยมีมากมีน้อยอย่างไรต้องเป็นฆ่าสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าถึงถอนให้สอดให้ถอด ใ, ให้ถอนสิ่งที่เป็นภัยออกมีใครที่จะสอนดีสอนดีสอนละเอียดสุขุมกับพินภาพสอนโดยถูกต้องมั่นยายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีในสามโลกธาตุนี้ท่านจึงควรเป็นศาสดราของโลกได้โดยไม่ต้องสงสัย ดังทำท่างกล่าวไว้ว่าสัทธาเทวดามนุษสานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราเพียงจะเป็นครูสอนเรายังไม่ได้พระพุทธเจ้านั้นสามสามารถเป็นครูของโลกทั้งสามได้เพราะความถูกต้องมันยังแห่งโอวาทของพระองค์นั่นแหละเราเชื่อพระพุทธเจ้าจะยากลาบาก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 ขณะที่เราฝืนทำก็เป็นขณะที่าศาสนาอาภัพไปแล้วจากตัวของเราขณะที่มีความเจริญรุ่งเรืองพนา จ, จิตใจรักศีลรักธรรมรักความภาคเพียรก็นั่นเป็นขณะที่าศาสนามีอยู่ภายในตัวของเราเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นจุบเป็นลดับลำดับคำว่าสมาธิ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 ถ้าธรรมดาแล้วเป็เรียกว่าพออยู่พอกินไม่กระวนกระวายไม่รำสารมาสายไม่เดือดร้อนวุ่นวายอิ่มเย็นสบายทําหน้าที่การงานอะไรก็เย็นสบายอยู่ปกติก็เย็นสบายนี่เรียกว่าพออยู่พอกินถ้าเราเอาเพียงแค่เราผูมุ่งเพียงแค่นี้ก็พออยู่พอกินแต่คนเราจะมามุ่งอะไรเพียงแค่นี้เราคนทนา่านาคกษัตริย์หนึ่งเราต้องพยายามคืบขึ้นโดยลำหนับสมบัตินี้มีคุณค่ามากขนาดนี้ อันนั้นมีคุณค่ามากขนาดนั้นอันนั้นมีคุณค่าสูงโดยลําดับดับขนาดนั้นใครจะมายอมอยู่กับสมบัติที่มีคุณค่าเพียงแค่นี้ก็ต้องขยิบขึ้นไปขยขิบขนไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งสมบัติที่มีคุณค่ามากเรื่องธรรมก็เหมือนกันสมาธิสมบัติแล้วนะสมาธินั่นก็มีถึงสองสามขั้นของสมาธิเราก็ต้องขยิบเพราะอันนี้มีคุณค่าขนาดนี้มีความสุขแค่นี้ขยับเพ้่มไปถึงสมาธิปร ขนาดนั้นมีความสุขขนาดนั้นธรมาธิขั้นนั้นมีความสุขขนาดนั้นนะ่ะแล้วก้าวทางปัญญาปัญญาเป็นการบุกเบิดบุกเบิดี่เลียดอาสวัสรที่หมอบหรือที่สงบตัวอยู่ภายในจิตใจนึกเกี่ยวเนื่องกับสิ่ ง, งใดแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาธรรมด า, าจิตที่เป็นสมาธิจะมีความแน่วแน่หรือมีความรู้อยู่โดยลําพังตัวเองเท่านัน้นประนึ่งว่าไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่ติดข้องกับอะไรทั้งนั้นมีแต่ความรู้ล้นล้วนอยู่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 เราเราเขาเมันก็อยู่กับตัวของเราเนี่ยความยึดมัน่นถือมัน่นความสำคัญว่านั่นเป็นเรานี้เป็นเขาอันนั้นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราหนังเป็นของเราเมื่อเป็นของเราตลอดอวัยวะทุกส่วนเป็นของเราเนี่ของเขาของเรามันมีที่นี่อา้าวเที่ยวภูเขาตามแถวนี้อา้าวถ้ำมีอะไรเข้าไปดูภายในของเราถ้ามีอะไรบ้างพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาสอดส่องด้วยสติเป็นเครื่องกํากับปัญญาพิจารณา มีความเจาะจงเอาสติเป็นผู้บังคับงานความภาคเพียงหนุนเข้าไปโดยลําดั บ, ด, บดูทั้งขง้างบนข้างล่างดูทั้งข้างนอกดูทั้งข้างในนี่คืออุบายวิธีที่จะพยายามถอดถอนอุปาทานที่เขาไปแทรกหยุดทุกชิ้นบรรดาวัยวะที่มีในร่างกายของเราแต่เราไม่ทราบว่าอุปทานมีมากน้อยอย่างไรมีเท่าตัวของเรานี่แหละอุปทาน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 ครั้งหนึ่งครั้งเดียวกี่ตลบทบทวนไม่สําคัญสําคัญที่ความชํชนานิชานานสําคัญที่ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในธาตุในขันทุองตนเมื่อเข้าใจเต็มที่แล้วระหว่างการพิจารณาคือระหว่างธาตุขันกับกิจนี้จะปล่อยวางกันอันใดที่พิจารณาเข้าใจแล้วกิจจะไม่ไม่ยอมไปพิจารณาอีกเพราะพอแล้วนะ่ะทราบภารกิจพอแล้วด้วยปล่อยแล้วด้วย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 สัญญาน่แจ่ความหมายหมายนั้นหมายนี้จำนั้นจำนี้แล้วถือความจำเป็นตนถือความจำเป็นสมบัติของตนเออว่าตนจำดิบจำดีอะไรต่างๆนานาเลยถือเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาทั้งๆที่มีแต่ลมแต่แง้งนี่คือความสําคัญของจิตแล้วก็ให้ทราบตามความจำมันนี่ซักแต่ว่าจำจำแล้วก็ลืมไปเช่นเดียวกับสิ่งอื่นแล้วหายไปเช่นเดียวกับสิ่งอื่นแน่นี่คือการพิจารณาทางปัญญา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 ภายนอกก็เห็นชาติมันไม่เที่ยงก็เห็นชัดสังขารภายในอะไรมันเที่ยงเอา้าสังขารร่างกายนี่มันก็ไม่เที่ยงเี่ยก็กองทุกข์อะอนัตตาอย่าไปแตะต้องอย่าไปยึดไปถืออนัตตาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเนี่ยบอกแล้วปฏิเสธว่าเป็นตนเนียสังขารมันปรุงขึ้นปรุงขึ้นเท่าไหร่มันก็นับปรุงดีก็นับปรุงชั่วก็ดับปรุงกลางๆก็ดับ ดับเป็นขณะขณะในขณะที่ปรุงก็ในขณะ ท, ที่ดับก็ไปพร้อมๆกันแล้วจะเอาเป็นสาระแก่นสารเอาเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นเราเป็นของเร า, เเราได้อย่างไรความจริงของเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อใดปัญญาขเราจะเห็นตามความจริงนั้นสักทีจะไม่ต้องวุ่นวายกับเขาให้เกิดเรื่องกับเขาทั้งๆที่เขาไม่มีเรื่องอะไรกับเราแต่เราชอบมีเรื่องกับเขาแล้วก็ชอบเอาเรื่องนั้นมายุ่งตัวเองให้เกิดความทุกข์ความลาบากนี่พิจารณาอย่างนี้วิญญาณ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 ไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงก็คือใจเป็นผู้รู้พิจารณาให้ทราบชัดโดยลำดับกีตลบทบทวนไม่สำคัญถือเป็นการเป็นงานพิจารณานั้นเทินอยู่ด้วยการพิจารณาเธินอยู่ด้วยการเข้าใจาเติรนอยู่ด้วยการถอดถอนโดยลำดับๆที่เละจะขนาดไหนแล่วก็ขนาดที่มีอยู่ภายในตัวนี้เท่านั้นเมื่อถอดถอนทุกวันพิจารณาทุกวันขุดค้นทุกวันทาลายไปทุกวัน มันจะเอากิเลสที่ไหนมามากมาก่ากองพอมันหมดไปทุกวันด้วยสติด้วยปัญญาสธากมเป็นทั้งเราสุดท้ายมันก็หมดข้างนอกมันก็หมดไปยึดอันไหนไหนกิเลสที่เกิดขึ้นจากความยึดความถือในสิ่งนั้นๆั้นมันก็หมดไปหมดไปเพราะปัญญาตามเผาตามไหมไปหมดแม้สุดท้ายมันไม่มีทางไปมันมารวมอยู่ในหัวต่ออันสาคัญคือจิตเน่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 คือพอไม่ต้องอาศัยอะไรเป็นเครื่องสนับสนุนต่อไปอีกส่วนวิบากได้แก่ผลที่จะพึงต <อะ S 2> ามสนองในเมื่อวิบากขัดขนเรามีอยู่ก็ต้องมีบุญอันนี้ต้องตามสนองกันไปเป็นธรรมดาเห็<ม>นอย่างพระพุทธเจ้าหรือสาวกก็มีอุปนิสัยต่างๆกันพระพุทธเจ้าสเสด็จไปที่ไหนก็มีแต่คนสักการะบูชาเต็มไปหมดเนี่ย หรพระศิวะรีท่านเป็นผู้มีอัตเลกกระลามากเพราะอะไรเพราะผลแห่งบุญของท่านที่เคยสร้างมาแต่ภายในจิตจของท่านไม่ได้ยินดีกับผลแห่งบุญที่มาตอบสนองท่านเลยนี่เรียกว่าท่านพอภายในจิตใจแต่เรื่องภายนอกก็ต้องมีเป็นธรรมนาตามอุปนิสัยแม้สาวกเหมือนกันเป็นพระรหารด้วยกันก็ตามอุปนิสัยหรือว่ัฒนาจะต่างกันไปเป็นไรายๆเป็นเช่นนั้นนั่นเรียกว่าอาการของสมมูล มีอยู่ต่างๆกันเช่นนั้นแต่เรื่องของไอ ม, มดคือความบริยสุดแล้วเสมอกันหมดท่านผู้ไม่มีอะติเรกราล่าท่านก็ไม่เสียใจท่านผู้ไม่มีอติเลท่านผู้มีอะติเลกา่ามากท่านก็ไม่ดีใจท่านไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่มท่านไม่ลืมตัวท่านทราบตามามยิงทั้งหมดนี่หมายถึงความพอภายในจิตใจนี่แหละคำว่า บ, บุญกุศลที่สง่กงกระชงไปอย่างนั้นเรื่อยๆตามอานาจแห่งกุศลที่เคย สร้างมาตั้งแต่กลับใดกันใดก็ตามก็ตา ม, มาสนับสนุนมาเรื่อยท่านจะยินดีไม่ยินดีก็ตามบุญก็ต้องเป็นบุญตามสนับสนุนจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายฉายนิ่งทิ้งเสียหมดทั้งขันอันนั้นเป็นน้ำหมดปัญหาเพราะขันนี้เป็นความสมมุติเป็นภาชนะที่จะนับนิบากิทั้งหลายซึ่งเป็นสมมติด้วยกันนิบากบาปบุญที่ต้องรับในเวลาที่มีธาตุมีขันอยู่ท่านก็นยอมรับ แต่พอผ่านนี้แล้วก็หมดปัญหาไม่มีอะไรที่จะติดตามอีกเลยท่านเนี่ยวปริยพานเป็นผู้ดับสนิทในเรื่องสมมุติทั้งหลายไม่ปรากฏเลยนี่คือธรรมแท้าศาสนาสอนมาถึงขนาดนั้นเจ้าของาศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรุถึงธรรมขั้นนี้แล้วนำธรรมออกสั่งสอนโลกสั่งสอนหมู่ชน ให้ดำเนินตามตามอุปนิสัยจริตนิสัยของคนอุคติตันยูผู้สามารถที่จะรู้ได้เร็ววิปจิตตันญูถัดๆกันลงมาเดินตามลอยกันไปเนยยะผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งลหลายหนก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้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 ที่หายอยู่หายามารักษาให้หายให้พื้นนี่เป็นไม่มีทางนอกจากเอาเข้าเขาเรียกห้องไอซียูะไรดังที่ว่านั้นต่นนั้นคอยอยู่เท่านั้นเองเราไม่ใช่คนประเภทนั้นอย่างน้อยก็ปะทปรามาอวอย่างน้อยก่อนเนยะเป็นผู้ควรแนะนําสั่งสอนไหมเราก็ควรแนะนําสั่งสอนเราได้เราได้รับทาของพระพุทธเจ้ามาสักงสอนตนเองก็พอแนะนําสั่งสอนตเอ น, น, อนตเองได้ครูบาอาจารย์ก็พอสอนเราได้แน่ เป็นเนยะคือควรทั้งนั้นควรพูดปฏิบัติตนได้เต็มตามส ต, ติกำลังของตนยังเรียกว่าเราอยู่ในมัชิมาพอุองควรอยู่แล้วให้ดำเนินมัชิมานี้ให้มีความสามารถแก่กล้าจนทะลุ ป, ปูโโปรงไปถึงขั้นอุกฤตแห่งมัชิมาคือมัชิมาหลักธรรมชาติได้จากความพอตัวอันเป็นศูนย์กลางเสมอไม่มีการมีสมัยเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเรียกว่าอาการนิกกิตอาการิกธรรม อาการกธรรมก็หมายถึงว่าธรรมโมปิปโปที่ปรากฏธุพันจกิจอย่างกระจ่างอย่างชนิกระจ่างแจ้งอาการลีกิตไม่มีการสถานที่ใดๆที่เขไปเกี่ยวข้องหรือทำลายจิตใจนั้นให้เอียงไปได้เลยนี่ผลใ น, นการปฏิบัติศาสนาเป็นอย่างนี้ขอได้นำไปพิจารณาและการแสดงธรรมให้เมาะสมกวอ